เสียงอ่านหนังสือพุทธวิธีควบคุมความคิดพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกพุทธวิธีควบคุมความคิด พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีควบคุมความคิดให้อยู่ในอำนาจใจไว้ว่าถ้ามีสติรู้ว่ากำลังคิดในเรื่องไม่ควรคิดซึ่งเมื่อกำลังพูดถึงการแก้โทสะก็หมายความได้ถึงเรื่องที่จะทําให้โทสะเกิดหรือเกิดอยู่แล้วแต่น้อยให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีสติรู้ว่ากำลังคิดเช่นนั้นให้เปลี่ยนเรื่องคิดเสียเช่นกำลังคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับไนกอ กำลังเกิดโทสะเกี่ยวกับนายกอก็ให้เปลี่ยนเป็นคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับนายขอซะโทสะที่กำลังจะเกิดเกี่ยวกับนายกอก็จะดับไปแต่ถ้าเปลี่ยนเรื่องคิดเช่นนั้นแล้วก็ยังคอยแต่จะย้อนกลับไปคิดเรื่องเก่าที่ก่อให้เกิดโทสะอยู่นั่นเองท่านให้พิจารณาโทษของความคิดเช่นนั้นคือพิจารณาให้เห็นว่าการคิดเช่นนั้นทาให้จิตใจเร่าร้อนไม่สบาย ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่คิดเช่นนั้นแล้วจะสบายตนเองได้ประโยชน์จากความสบายนั้นแม้พิจารณาโทษของความคิดที่ไม่ดีนั้นแล้วก็ยังไม่อาจยับยั้งความคิดนั้นให้สงบลงได้ท่านก็ให้ไม่ใส่ใจในเรื่องนั้นคือพยายามไม่สนใจเสีอเลยพยายามลืมเสเลยแต่ถ้าไม่สำเร็จอีกหรือไม่ได้อีก คือยังใส่ใจอยู่อีกท่านให้ใช้ความใคร้ครวนพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้นขณะที่คิดหาเหตุผลอยู่นี้ความโกรธจะลดระดับความรุนแรงลงท่านเปรียบว่าเหมือนคนกําลังวิ่งเร็วก็จะเปลี่ยนเป็นวิ่งช้ากําลังวิ่งช้าก็จะเปลี่ยนเป็นเดินกําลังเดินก็จะเปลี่ยนเป็นยืนกาลังยืนก็จะเปลี่ยนเป็นนั่ง และกำลังนั่งก็จะเปลี่ยนเป็นลงนอนถ้าทำเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ผลความคิดเดิมยังไม่หยุดท่านให้ใช้ฟันกัดฟันให้แน่นเอาลิ้นกดเพดานไว้เช่นนี้ความคิดจะหยุดเมื่อแก้ไขความคิดที่จะนำไปสู่ความมีโทสะได้สำเร็จคือเลิกคิดในทางที่จะทำให้เกิดโทสะได้ก็เท่ากับไม่เพิ่มเชื้อให้แก่ไฟโทสะ ไฟโทสะก็จะเย็นลงและหากบังคับความคิดได้เสมอๆจนเคยชินให้ไม่คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดโทสะโทสะก็จะลดลงทำให้ความร้อนในจิตใจเบาบางลงมีความเยือกเย็นเกิดขึ้นแทนที่นั่นแหละจะมีความสุขทั้งตัวเองและทั้งผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดด้วยทั้งหลายนับเป็นผลอันน่าปรารถนาที่เกิดจากการบริหารจิต ตามหลักพระพุทธศาสนาวิธีที่หนึ่งเปลี่ยนความคิด จะอธิบายในข้อที่ว่าเมื่อโทสะเกิดให้ใช้สติความระลึกพร้อมทั้งความรู้ตัวกับใช้ปัญญาความรู้สำหรับพิจารณาให้รู้ความคิดของตนว่ามีอะไรเป็นนิมิตคือเครื่องหมายกำหนดหรือเรื่องที่กำหนดคิดคำว่านิมิตนี้ใช้ในความหมายหลายอย่างเป็นวัตถุก็มีเป็นเรื่องจิตใจก็มีเป็นวัตถุ ก็เช่นลูกนิมิต ท, ที่ฝังเป็นเครื่องหมายเมื่อผูกพัทธสีมาในโบส์เป็นเรื่องจิตใจก็ฝังอยู่ในจิตใจสำหรับจิตกําหนดหมายคืออารมณ์ที่ได้เห็นได้ยินเป็นรูปเป็นเสียงและมาฝังอยู่เป็นนิมิตในใจเหมือนนิมิตโบสถให้รู้นิมิตหรืออารมณ์ที่ฝังในใจตนว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องทาให้เกิดชันทะ ความพอใจรักใคร่โทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงให้รู้ว่าเป็นอกุศลนิมิตคือลูปนิมิตในใจที่เป็นอกุศลเช่นมีโทสะก็เหมือนมีลิมสลักปักอยู่ในใจสมมุติตนเป็นช่างไม้เมื่อต้องการถอนสลักที่ปักใจอยู่ก็ต้องเอาสลักอีกอันมาตอกถอนเอาออก คือต้องหาอารมณ์อย่างอื่นที่จะไม่นำให้เกิดโทสะมาเป็นนิมิตขึ้นในใจกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องตั้งใจคิดถึงเรื่องอื่นให้แรงเรื่องที่คิดอยู่เดิมอันเป็นเหตุให้เกิดโทสะจะดับได้เมื่อคิดเรื่องใหม่แรงพอเมื่อเรื่องที่คิดดับอารมณ์อันเกิดจากเรื่องที่คิดนั้นก็จะดับด้วยคือโทสะจะดับนั่นเอง วิธีดับโทสะด้วยการเปลี่ยนนิมิตหรือเปลี่ยนเรื่องคิดได้ผลแน่แต่ก็เป็นการได้ผลชั่วระยะคือชั่วระยะที่ใจยังไม่คิดเรื่องที่จะนำให้เกิดโทสะถ้าใจคิดถึงเรื่องใดก็ตามที่จะนำให้เกิดโทสะโทสะก็จะกลับเกิดได้อีกเพราะวิธีดับชนิดนี้เป็นวิธีระงับไม่ใช่เป็นวิธีรักษาให้หายขาด วิธีแก้กิเลสทุกประเภทรวมทั้งโทสะให้ลดน้อยถึงให้หายขาดไปได้นั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้เหตุผลคือใช้ปัญญาพิจารณาลงไปเป็นเรื่องๆว่าอะไรเป็นอะไรทำไมจึงเกิดขึ้นควรปล่อยให้เกิดอยู่ต่อไปหรือควรแก้ไขอย่างไรควรปล่อยวางอย่างไรพิจารณาด้วยปัญญาดังกล่าวนี้ในเรื่องใดก็ตาม หากทำให้เรื่องนั้นคลี่คลายลงได้เช่นกำลังเกิดโทสะในเรื่องใดยอยู่ทำให้หายได้ด้วยเห็นตามปัญญาพิจารณาโทสะในเรื่องเช่นนั้นจะไม่กลับเกิดอีกเรียกว่าใช้ปัญญาถอนรากถอนโคนให้เด็ดขาดไปตัวอย่างในกรณีที่เป็นคนงานที่มีผู้ร่วมงานหลายคน ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างใกล้ชิดย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องทำอะไรไม่ถูกใจกันบ้างคนโทสะแรงจะหาความสุขได้ยากในที่ทำงานนั้นเพราะจะเกิดโทสะอยู่เสมอคนนั้นทำงานไม่ดีพอคนนี้ทำได้ไม่ถูกใจหรือไม่ก็คนนั้นมีความสามารถน้อยจนทำอะไรแล้วได้ผลออกมาเป็นการยั่วโทสะรวมความแล้วก็คือ ไม่ว่าใครทำอะไรก็ต้องเกิดโทสะเป็นส่วนมากที่จริงก็อาจเป็นจริงดังนั้นคือบางคนอาจจะทำงานได้ไม่ดีพอหรือมีความสามารถไม่เพียงพอแต่ก็อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องทำงานนั้นผู้ใดจำเป็นต้องร่วมงานด้วยก็ต้องร่วมงานไปและถ้าหากจะยอมเกิดโทโสเพราะผู้ร่วมงานอยู่เรื่อยๆก็เป็นการบกพร่องของตนเองมิใช่ของผู้ร่วมงานอื่น เพื่อแก้โทสะที่เกิดในกรณีนี้ให้ลดลงหรือหมดไปไม่ใช่ปล่อยให้ดับไปเป็นครั้งคราวต้องใช้ปัญญาหาเหตุผลเช่นหาเหตุผลมาอธิบายให้ตัวเองเข้าใจและเห็นใจว่าทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้นถ้ามีความตั้งใจจริงว่าจะต้องหาเหตุผลมาช่วยตัวเองให้เลิกเกิดโทโสเพราะเขาให้ได้ก็จะต้องหาเหตุผลได้ เหตุผลที่จะทำให้คนเจ้าโทโสที่ต้องการจะแก้ไขตนเองจริงๆได้รับความสำเร็จมีอยู่มากมายในกรณีดังตัวอย่างข้างต้นก็เช่นให้คิดว่าคนเราเกิดมาไม่เสมอกันสติปัญญาก็ไม่เท่ากันความคิดเห็นก็แตกต่างกันเขาทำได้เช่นนั้นก็คงสุดความสามารถของเขาแล้วเขาเห็นว่าดีแล้วเขาไม่ได้แกล้ง เขาทำด้วยความตั้งใจดีผลที่ไม่ถูกใจเรานั้นไม่ได้เกิดจากเจตนาของเขาเลยสักครั้งเดียวเราจะไปเกิดโทโสให้ร้อนแก่ตัวเองทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเหตุผลสมควรทําไมใจหนึ่งอาจจะแย้งว่าก็มันยั่วโทโสที่ทํางานเช่นนั้นใช้ไม่ได้เลยอาจจะแก้ว่าเกิดโทโสแล้วผลของงานที่เขาทําดีขึ้นหรือถูกใจขึ้นหรือสบายใจขึ้นหรือ ถ้าเกิดโทโสแล้วผลงานของเขาเคยอย่างไรก็อย่างนั้นไม่ดีขึ้นไม่ถูกใจขึ้นทั้งอย่างร้อนใจเพราะอำนาจโทสะอีกด้วยเช่นนี้แล้วโทสะช่วยอะไรได้ใจหนึ่งอาจจะเถียงอย่างดื้อดึงว่าช่วยไม่ได้ก็ช่างจะต้องโกรธอยากทำอย่างนั้นให้ยั่วโทสะทำไมอาจจะตอบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยั่วโทสะเขาอาจจะตั้งใจเอาใจเสียด้วยซ้า ทำไมเขาจึงจะมาตั้งใจทำงานซึ่งแสดงความสามารถของเขาให้เสียหายไปเขาทำได้เพียงเท่านั้นจริงๆให้หาเหตุผลโต้แย้งใจฝ่ายที่คอยจะเข้าข้างโทสะไปเรื่อยๆฝ่ายเข้าข้างโทสะแย้งอย่างไรให้หาเหตุผลมาแก้อย่ายอมจำนวนมีเหตุผลเพียงไรให้ยกมาแสดงตอบโต้จนฝ่ายเข้าข้างโทสะพ่ายแพ้นั่นแหละ โทสะจะไม่กลับเกิดขึ้นในกรณีนี้อีกจะขาดหายไปได้จริงๆอย่างแน่นอนเด็ดขาดเกี่ยวกับโทสะที่เกิดในกรณีอื่นทุกกรณีก็แก้ได้ทำนองเดียวกันนี้คือให้หาเหตุผลแย้งอย่างไม่ยอมหยุดยั้งจนฝ่ายเข้าข้างโทสะจำนวนกโทสะก็จะดับและจะเป็นการดับสนิทไปทุกกรณี ที่นำมาพิจารณาเหตุผลตอบโต้ขัดแย้งกันดังกล่าวสามัญชนทุกคนมีโทสะมีเรื่องที่ทําให้เกิดโทสะกันเป็นประจำถ้าต้องการแก้ไขก็จะทําได้สําเร็จด้วยการตอบโต้ฝ่ายเข้าข้างโทสะอย่างไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้ต้องให้ฝ่ายเข้าข้างโทสะแพ้ให้ได้โทสะ จึงจะดับอย่างไม่กลับเกิดขึ้นอีกเลยในแต่ละเรื่องนั้นความเย็นใจก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับพร้อมกับที่โทสะแต่ละกรณีหมดไป